จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบ้านสัตว์อุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอังคารที่23รกรากรกฎาคมพุทธศักราชสองพันหเป็นวันเข้าพรรษาเป็นทรรเนียม ของพระพุทธศาสนาที่ในวันแรงหนึ่งขั้นเดือนแปดจนไปถึงวันแรมหนึ่งขั้นเดือนสิเเป็นเวลาสามเดือนด้วยกันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติให้พระเทกสุอยู่จำที่เดียวไม่ให้ไป ค้างคืนไม่ให้ไปอยู่ที่อื่นเพราะเนื่องจากช่วงระยะสาเดือนนี้เป็นช่วงที่ชาวนาชาวไร่ทำการเพาะปลูกพืชผลต่างๆถ้าพระภิกษุไม่อยู่จำพรรษาก็จะจาร็กไปตามสถานที่ต่างๆ เวลาจะลึกไปก็มักจะต้องเดินลัดทุ่งลัดนาที่ชาวนาวชาวไร่ได้ปลูกพืชเอาไว้ก็จะไปเหยียบย่าทำลายพืชต่างๆชาวนาวชาวไร่จึงได้มากราบทุนให้พระพุทธเจ้าทรงทราบถึงปัญหาพระพุทธเจ้าจึงทรง บัญญัติการอยู่จำพรรษาให้แก่ภาคพิกสุทธิ์มาตั้งแต่แบบนั้นคือตลอดระยะสามเดือนนี้ไม่ให้ไปจารึกไปตามสถานที่ต่างๆให้ค้างคืนอยู่ในวัดถ้าไม่ค้างคืนไปภักแรงที่อื่นโดยไม่มีเหตุก็จะถูกปรับโทษ <c oughs> คือเหมือนกับทาผิดกฎหมายก็จะต้องถูกปรับโทษของพระก็คือการทำให้ไม่สามารถรักษ า, าคำสอนคำสั่งของพระพุทธเจ้ า, าได้อย่างเป็นที่ก็คือศีลไม่บริสุทธิ์ผู้ที่ไม่มีศีลบริสุทธิ์ก็จะ ยากต่อการที่จะปฏิบัติธรรมขั้นสูงที่จะทำให้จิตของตนได้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปได้แล้วก็ยังไม่ได้รับอนิสง์ของการจำพรรษาถ้าอยู่จำพรรษาครบสามเดือน ก็จะมีอ น, นิสงส์หลายข้อด้วยกันข้อหนึ่งก็คือจะได้มีสิทธิ์รับผ้ากะถิ่นคือหลังจากออกพรรษาแล้วก็จะมีธรรมเนียมถวายผ้ากะถิ่นให้กับพระให้กับพระสงฆ์เพื่อเอาไปตัดเย็บเป็นจีวเรเนื่องจากจีวรที่ใช้อยู่นั้นเก่าชำรุดสุดทรม ก็ถึงเวลาที่ควรจะเปลี่ยนใหม่ได้แต่ถ้าไม่ได้อยู่จำพรรษาก็จะไม่ได้รับอนิสงส์อันนี้แล้วก็อีกอย่างหนึง่งการอยู่จำพรรษาก็จะได้อยู่ศึกษากับครูบาอาจารย์ถ้าไม่อยู่จำพรรษาไปที่นั่นที่นี่ก็จะไม่ได้อยู่ศึกษา กับครูบาอาจารย์ถ้าไม่ได้ศึกษาการปฏิบัติก็จะไม่ได้เป็นไปอย่างถูกต้องเพราะไม่รู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรอะไรถูกหรือไม่ถูกนี่ก็คือเรื่องของการอยู่จำพรรษาของพระภิกษุไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนที่ใดก็ตามเมื่อถึงเวลา วันแรงหนึ่งค่ำวันแรงหนึ่งค่ำเดือน8จนถึงวันแรงหนึ่งค่ำเดือน11อจะต้องอธิษฐานตั้งใจตั้งจิตว่าจะอยู่จำพรรษาในสถานที่นั้นไปตลอด ร, ระยะเวลาสามเดือนด้วยกันแล้วก็นอกจากการจำพรรษาแล้ว ก็มีธรรมเนียมที่มีศรัทธาญาโยจะนำผ้าอาบน้ำฝนมาถวายนำเทียนจำพรรษามาถวายเหตุที่ทำให้มีการถวายผ้าอาบน้ำฝนก็เนื่องจากว่าพระภิกษุนั้นในสมัยแรกๆมีผ้าน้อย ผ้าหายาแล้วก็มีกันเพียงหนึ่งชุดคือผ้าไตาจีวรผ้าไตาจีวานนี่มีสามผืนผืนหนึ่งเอาไว้ไวนุ่มเหมือนผ้าสโลอีกผืนหนึ่งไว้ห่มคลุมและอีกผืนหนึ่งไว้สำหรับห่มกันหนาวในฤดูหนาวทีนี้เวลาขนตก พระภิกษุท่านก็จะอาบน้ำฝนกันท่านก็จะไม่มีผ้าอาบน้ำฝนท่านก็จะเปวยกายอาบน้ำฝนการแจ้งกันมีอยู่วันหนึ่งนางวิสาขาที่เป็นอุปถัมา์ที่มีฐานะร่ำรวยอยากจะถวายน้ำปานะคือน้ำผลไม้่านให้แก่พระภิกษุได้ดื่ม จึงได้ให้สาวใช้ไปที่สำนักที่พระพุทธเจ้าและพระภิกษุทรงพระทับอยู่ระหว่างทางพอไปถึงก็เกิดฝนตกหนักก็พระภิกษุก็นานๆานจะได้อาบน้ำฝนสักครั้งก็เลยออกมาอาบน้ำฝนกันที่กลางลานวัดโดยไม่ได้มีอะไรสวนใส่ พอสาวใช้ไปถึงวัดเห็นเข้าก็ตกใจรีบกลับมาบอกให้นางวิสาขาได้ทราบว่าตอนนี้ที่วัดไม่มีพระภิกษุแล้วมีแต่พวกชีเปลยมายึดอยู่อาศัยอยู่กับวัดานางวิสาขานี้เป็นคนชลาก็รู้ว่าเป็นเพราะว่า พ้าภิกษุไม่มีผ้าอาบน้ำฝนกันจึงอาบน้าป่วกายอาบน้ำฝนกนลางลานวันจีงได้ประกาบทูลขออนุญาตให้ศรัทธาญาติโยมมีโอกาสได้ถวายผ้าอาบน้ำฝนนี่คือเรื่องของการถวายผ้าอาบน้ำฝนในสมัยพระพุทธการ ในสมัยนี้ผ้าน้ำฝนมันจะขดลงไปเรื่อยๆจนกลายเป็นผ้าเช็ดหน้าเสียมากกว่าเอามาผมอาบน้ำฝนกันไม่ได้เนื่องจากเศรษฐกิจรัดตัวถ้าจะถวายผ้าผืนไว้สำหรับผมนุ่งผมอาบน้ำฝนได้ก็จะต้องเป็นผืนใหญ่ก็จะมีราคาแพง พ่อค้าแม่ค้าไม่รู้เรื่องว่าผ้าอาบน้ําฝนนี้มีไว้ทําอะไรก็เลยลดขนาดลงมาเรื่อยๆเพื่อจะได้ไม่ขายในราคาแพงเพราะถ้าขายในราคาแพงก็จะขายยากคนก็จะไม่ซื้อกันเดี๋ยวนี้ผ้าอาบน้ําฝนที่มาในภุ่มเสียดังเหลืองนั้นนะเอามาห่มไม่ได้แล้ว ส่วนใหญ่จะามาทำเป็นผ้าคี่ลิ้วเสียมากกว่าผ้าเช็ดพื้นถูพื้นนี่ก็คือเรื่องของการถวายผ้าน้ำฝนและอีกอย่างหนึ่งสมัยนี้ก็มีห้องน้ำมีอะไรที่หยิบมิดชิดไม่จำเป็นจะต้องออกมาอาบน้ำฝน แล้วถ้าจะน้ำฝนก็มีผ้าที่ญาติโยมถวายกันเป็นประจำอยู่มากพอสมควรก็เลยไม่ต้องอาศัยผ้าน้ำฝนที่ญาติโยมถวายมาในพุ่มสเีเหลืองเพราะถ้าจะอาศัยผ้าน้ำฝนที่มากับพุ่มนี้ก็คงจะม า, มานุ่งผมไม่ได้ปกปิดไม่ได้เพราะพื้นมันเล็กเกินไป นี่คือที่มาที่ไปของการถวายผ้าน้ำฝนส่วนการถวายเทียนพรรษาอันนี้ก็เนื่องมาจากสมัยโบราณไม่มีไฟฟ้าใช้กันในเวลาเข้าพรรษาจะมีลูกของศรัทธาญาติโยมมาบวชกันเป็นจำนวนมาก คือเป็นธรรมเนียมของชาวพุทธเราถ้ามีลูกชายอายุครบยี่สิก็จะให้บวชเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณให้แก่บิดามารดาดังนั้นเวลาเข้าพรรษาก็จะมีผู้มีจิตศรัทธามาบวชอยู่จำพรรษากันเป็นจำนวนมาก แล้วก็เทียนที่วัดก็จะมีไม่พอใช้กันก็เลยมีพิธีมีธรรมเนียมถวายเทียนเข้าพรรษาเพื่อจะได้ใช้ในเวลาค่ำคืนใช้ให้เห็นแสงสว่างใช้ไว้สำหรับดูหนังสือศึกษานี่คือเรื่องของการถวายเทียนพรรษา แต่ในปัจจุบันเรามีไฟฟ้าใช้กันเทียนภรรษาจึงไม่ค่อยได้ใช้กันส่วนใหญ่ก็จะเอาไว้ที่ในโบสถ์ในศาลาไววจุดบูชาธารตนาตรายัยเวลาไหวพระสวดมนต์หรือทำพิธีกรรมต่างๆสมัยนี้จึงมีการปรับปรับปรุรง แทนที่จะถวายเทียนก็มาถวายหลอดไฟกันแทนเทียนอันนี้ก็ใช้ได้ได้บุญเหมือนกันถวายเทียนก็ได้บุญถวายหลอดไฟถวายอุปกรณ์ที่ใช้กับแสงสว่างต่างๆก็ได้บุญเหมือนกันนี่คือเรื่องของ การจำพรรษาการถวายผ้าอาบน้ำฝนและการถวายเทียนพรรษาที่มีการกระทำมาเป็นเวลาอันยาวนานเป็นการทำทานเรียกว่าวัตถุทานเป็นบุญขั้นต้นบุญที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนได้ทำกันนั้น มีอยู่สามขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งเรียกว่าทานขั้นที่สองเรียกว่าศีลขั้นที่สามเรียกว่าภาวนาบุญแต่ละขั้นนี้จะมีน้ำหนักไม่เท่ากันขั้นที่หนึ่งนี้จะน้อยกว่าขั้นที่สองขั้นที่สองนี้จะน้อยกว่าขั้นที่สาม แต่ก่อนที่จะไปทําบุญขั้นที่สองขั้นที่สมได้ก็ต้องทําขั้นที่หนึ่งให้ได้ก่อนเพราะการทําบุญขั้นที่หนึ่งนี้จะง่ายกว่าการทําบุญขั้นที่สองการทําบุญขั้นที่สองก็จะง่ายกว่าการทําบุญขั้นที่สามนั่นเองดังนั้นถึงแม้ว่าการทําบุญขั้นที่สมจะได้บุญมากแต่ถ้าเรายัง ไม่สามารถทำขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองได้ก็อย่ากระโดดข้ามไปทำให้เสียเวลาเพราะจะทำไม่ได้อยู่ดีเหมือนกับการเรียนหนังสือถ้ายังไม่จบชั้นประถมอย่าพึ่งไปเรียนชั้นมัธยมถ้ายังไม่จบชั้นมัธยมอย่าเพึ่งไปเรียนชั้นอุดมศึกษาเพราะจะเรียนไม่ได้ไม่มีความรู้ความสามารถพอที่จะเรียนได้ จันใดการทำบุญสามขั้นนี้ก็ต้องเป็นการทำไปตามขั้นตอนขั้นแรกก็คือให้เรามาทำทานกันก่อนให้เราแบ่งปันทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เรามีมากเกินไปที่มีเกินความจำเป็นอะไรคือความจำเป็นความจำเป็นก็คือปัจจัยสี่ คือเราต้องมีเงินทองนี้เอาไว้ซื้อปัจจัยสี่ซื้ออาหารซื้อเครื่องนุ่หงห่มซื้อยารักษาโรคซื้อที่อยู่อาศัยถ้าเรามีปัจจัยสี่พอเพียงแล้วล้วยังมีทรัพย์เหลืออยู่ก็ไม่ควรที่จะเก็บเอาไว้เพราะจะไม่เกิดประโยชน์นอกจากไม่เกิดประโยชน์แล้ว ก็อาจจะเกิดโทษได้ถ้านำเอาเงินนี้ไปใช้ในทางที่ไม่ถูกเช่นเอาไปซื้อสุรายามมงมาดื่มเอาไปเล่นการพนันเอาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆพราจะทำให้ติดนิดสัยเสียนิสัยเมื่อทำแล้วก็อยากจะทำอีก ถ้าเดิมสุราแล้วก็อยากจะเดิมอีกถ้าเล่นการพนันแล้วก็อยากจะเล่นอีกถ้าเที่ยวกลางคืนเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแล้วก็อยากจะเที่ยวอีกก็จะทําให้เงินทองนี้ไม่พอใช้ก็จะไม่มีเงินทองนําเอามาทําบุญให้ทานถ้าเราบังคับตัวเราเองให้ทําบุญ ให้ทางเวลาที่เรามีเงินมากเกินความจําเป็นอย่าปล่อยให้ความอยากพาให้เราไปใช้เงินในทางที่ไม่เกิดคุณประโยชน์กับเรา <c oughs> คือเอาไปเที่ยวเอาไปดื่มสุราเอาไปซื้อของฟุม่มเฟือยต่างๆอันนี้ไม่เกิดประโยชน์กับใจ พอไม่ได้ทำให้เกิดความอิ่มเกิดความพอเกิดความสุขใจกลับจะทำให้เกิดความหิวเกิดความอยากเช่นวันนี้ถ้าได้ไปเที่ยวก็มีความสุขเดียวยวพอกลับมาบ้านก็เหงาว้าเหวเหมือนเดิมพรุ่งนี้ก็อยากจะออกไปเที่ยวอยีกดังนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขมีความอิ่มมีความพอ เราต้องเอาเงินนี้มาทำทานถ้าทำทานแล้วใจจะเกิดความอิ่มเกิดความสุขเกิดความพอจะอยู่บ้านได้ไม่ต้องออกไปข้างนอกไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆได้แล้วก็จะทำให้เรามีความเมตตามีจิตใจที่จะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่น ผู้ที่ทำบุญนี้จะมีความเมตตามีความปรารถนาดีคิดดีพูดดีทำดีต่อผู้อื่นเพราะทำแล้วได้ความสุขเห็นผู้อื่นมีความสุขก็จะทำให้เรามีความสุขเวลาเราได้ช่วยเหลือผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเห็นเขามีความสุขเราก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมา ความสุขนี่แลลวเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวหรือไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเพราะจะทำให้ใจมีความอิ่มมีความพอจะไม่คิดอยากจะไปเที่ยวจะไม่คิดอยากจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆนั่นเองเราก็จะทำให้สามารถ ก้าวขึ้นสู่การทำบุญขั้นที่สองได้ก็คือการไม่ทำบาป ก, การรักษาศีลนี้เองผู้ทำบุญแล้วจะไม่ชอบทำบาปจะไม่ชอบฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเสพสุรายางาแล้เมื่อไม่ได้ทำบาปรักษาศีลได้ก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้น ก็จะไม่มีความวิตกกังวลกับการกระทำที่ไม่ดีต่างๆจะไม่มีปัญหากับใครจะไม่มีเรื่องมีราวกับใครไม่ต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลไม่ต้องไปทะเลาะวิวาสกับใครอยู่อย่างมีความสุขก็จะทำให้สามารถก้าวขึ้นสู่การ ทำบุญขั้นที่สามได้บุญขั้นที่สามก็คือภาวนาที่แบ่งไว้เป็นสองขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งก็คือสมถภาวนาขั้นที่สองก็คือวิปัสนาภาวนาการภาวนาสมถภาวนานี้ก็เพื่อทำให้ใจสงบส่วนวิปัสนาภาวนานี้ก็เพื่อทำให้ใจมีดวงตา เห็นทำทําให้ใจรู้แจ้งเห็นจริงในความจริงต่างๆที่ตอนนี้ยังมองไม่เห็นกันอยู่ดังนั้นพอเราเก้าวเข้าสู่ขั้นที่สามแล้วเราก็จะต้องมาทําใจให้สงบการจะทํ า, าทใจให้สงบนี้สิ่งแรกที่จําเป็นจะต้องทําก็คือต้องรักษาศีลแปแทนที่จะรักษาศีลห้าต้องรักษาศีลแป พอถ้าไม่รักษาสินแปแล้วจะไม่มีเวลามาภาวนาเพราะสินห้านี้ไม่ได้ห้ามไม่ให้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไม่ได้ให้ไปเที่ยวไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานไปร่วมหลับนอนกับคนอื่นแต่ถ้าถือสินแปแล้วกิจกรรมเหล่านี้ก็จะต้องถูกระงับไปพอไม่มีกิจกรรมเหล่านี้ทำก็จะมีเวลา ที่จะมาจะเจริญสมถะภาวนามานั่งสมาธิทําใจให้สงบได้ก่อนที่จะนั่งสมาธิก็ต้องจเจริญสติก่อนเพราะถ้าไม่มีสติเวลานั่งสมาธิใจจะไม่หยุดคิดเมื่อไม่หยุดคิดก็จะไม่สงบดังนั้นก่อนที่จะนั่งสมาธิจึงต้องหยุดคิดให้ได้ก่อนการที่จะหยุดคิดก็ให้ คิดคำใดคำหนึ่งิดเช่นคิดคำว่าพุทโธพุทโธไปภายในใจตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับพอตื่นขึ้นมาก็ท่องพุทโธไปภายในใจไม่ว่าจะทำอะไรก็ท่องพุทโธไปเรื่อยๆพอเวลาเรามานั่งสมาธิท่องพุทโธไปเดียวๆใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ qui, พ อ, อเข้าสู่ความสงบแล้วก็จะพบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นความสุขที่เหนือความสุขทั้งหลายสุขยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสุขยิ่งกว่าได้แต่งงานกับดาราภา พ, พยนตร์หรือได้แต่งงานกับนางงามจากกวานความสุขต่างๆเหล่านี้จะสู้ความสุข ได้จากการทําใจให้สงมบมได้ผู้ใดได้พบกับความสุขแบบนี้แล้วจะเบื่อกับความสุขต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ก็จะสามารถออกบวชได้ถ้าออกบวชได้ก็จะสามารถปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ถ้าปฏิบัติอย่างเต็มที่ไม่เกินเจ็ดปีก็จะสามารถ บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดได้เพราะว่าไม่มีภารกิจการงานอย่างอื่นต้องทําถ้ายังเป็นคารวะอยู่นี่โอกาสที่จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์นี้จะไม่มีเลยเพราะจะไม่มีเวลามาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ จะต้องแบ่งเวลาให้กับการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตนและของผู้อื่น<ม>เช่นของบิดามารดาภรรยาสามีและบุตรทิดา<ม>เวลาที่จะมาทำใจให้สงบทำใจให้ฉลาดจะไม่มีดังนั้นถ้าผู้ใดสามารถนั่งสมาธิ จนพบกับความสงบแล้วก็จะเห็นความจำเป็นของการออกบวชเพราะจะไม่มีความสุขกับความสุขที่ได้รับจากการเป็นคารวาน์แล้วความสุขที่ได้รับจากการร่่มหลับนอนกับผู้อื่นความสุขจากการรับประทานการดื่มการดูการฟังนี้จะไม่มีความหมายต่อไป จะอยากได้ความสุขที่เกิดจากความสงบเพียงอย่างเดียวเมื่อเป็นอย่างนั้นก็จะพุ่งไปซึ่ที่การทำใจให้สงบ ก, ก็จะหาวิธีที่จะตัดพาระต่างๆให้หมดไปเพื่อจะได้ไปบวชเพื่อจะได้สร้างความสงบให้เต็มที่ให้มีอยู่ตลอดเวลา ความสงบที่ได้จากการนั่งสมาธินี้เวลาออกจากสมาธิมามันจะหายไปถ้าอยากจะให้มันอยู่ต่อก็ต้องควบคุมความอยากให้ได้ถ้ายังออกมาแล้วอยากทานู่นทานี่อยากดูอยากฟังอยากดื่อยากรับประทานความสุขที่ได้เกิดจากความสงบก็จะหายไปการจะทำให้ความสุข ที่ได้จากสมาธิมีอยู่ต่อไปก็ต้องสอนใจไม่ให้ไปอยากได้สิ่งต่างๆสอนใจให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่อยากได้นั้นไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่มีความทุกข์ซ่อนอยู่เวลาได้อะไรมาใหม่ๆก็จะมีความสุขแล้วไม่นานสิ่งที่ได้มาก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปเพราะต้องหวงต้องหวง และเวลาจากไปก็ต้องเศร้า อ, อกเสียใจว่าไม่มีอะไรคงเส้นคงวาไม่มีอะไรอยู่ไปอย่างถาวรทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดแล้วต้องมีดับไปเป็นธรรมดานั่นเองถ้าสอนใจอย่างนี้ใจก็จะฉลาดใจก็จะไม่อยากได้อะไรเพราะไม่อยากได้ความทุกข์นั่นเอง เมื่อทำอย่างนี้ได้ใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายก็จะบรรลุเป็นพาาาระอรหันต์ได้นี่แลคือธรรมเนียมของการมาอยู่จำพรรษาก็เพื่อมาศึกษาและมาปฏิบัติเพื่อให้จิตใจได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนั่นเองเวลามาบวชก็จะมีเวลาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ไม่มีภารกิจอย่างอื่นต้องทำเพาะการบวชนี้แหลเป็นการทดแทนบุญคุณให้แก่บิดามารดาได้อย่างเต็มที่เพราะว่าถ้าบวชแล้วได้บรรลุแล้วก็จะสามารถสั่งสอนให้บิดามารดาได้บรรลุเป็นพระโสดาบันได้ถ้าบรรลุเป็นสาวโสดาบันได้ก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไป วิธีที่จะทดแทนบุญคุณให้แก่บิดามารดาที่ดีที่สุดก็คือปฏิบัติตนเองให้เป็นพาาาระอรหันต์ก่อนเมื่อเป็นแล้วก็มาสั่งสอนบิดามารดาให้เป็นพระโสดาบันเพื่อบิดามารดาจะได้ไม่ต้องกลับไปเกิดในอบายอีกต่อไปและจะได้บรรลุเป็นพาาาระอรหันต์ภายในไม่เกิดเจตช้าเป็นอย่างมาก พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการจะเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างดีแบงท่านไว้บนบ่าบนไหลให้ท่านอุจจละปัสวะลดใส่ไปจนถึงวันที่ท่านตายจากไปบุญคุณที่ท่านมีกับเราก็ยังไม่หมดถ้าอยากจะให้บุญคุณที่บิดามารดามีกับเรานั้นหมดไปชดใช้บุญคุณให้หมดไปได้นั้นต้อง ปฏิบัติตัวเองให้เป็นพระอาหารหันต์ก่อนแล้วก็ไปสอนบิดามารดาให้บรรลุเป็นพระโสดาบันต่อไปอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาในเบื้องต้นพระองค์ก็ทรงออกบวชปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพอบรรลุแล้วก็กลับไปโปรดพระราชบิดาและพระ พระราชนัดดาเลี้ยงจนได้บรรลุเป็นพระอาริยเป็นพระอรหันต์กันนี่แหละ mm hmm. คือการกระทำที่เป็นตัวอย่างที่ดี mm hmm. ก็คือพระพุทธเจ้าของพวกเรา่านี้เองถ้าพวกเรายึดแนวทางของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติรับรองได้ว่าเราก็จะได้พบกับความสุขและความเจริญ อยากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพบอย่างแน่นอนดังนั้นในช่วงเข้าพรรษานี้ก็ขอให้พวกเราตั้งจิตอธิษฐานกันว่าจะขอปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งสามขั้นนี้ตามกำลังของแต่ละท่านทําทานได้ก็ทาไปทุกวันรักษาศีลได้ก็รักษาไปทุกวัน ภาวานาได้ก็ภาวนาไปทุกวันแล้วรับรองได้ว่าผลที่ดีที่รเริฐที่พวกเราทั้งหลายปรารถนากันที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายได้บรรลุ ก, กันก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปอังการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยึติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนไตรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบงเพ็นกันในวันนี้จึงเป็นเองเป็นปัใจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วท้ากันเธอ